ยินไหมนะเสียงเสียงคำคำเริบได้ยินไหมเสียงกามกำเริบเสียงคำคำเริบในหัวใจของคนของสัตว์พลัง อันนี้มันเป็นพลังที่ดึงหัวใจของคนของสัตว์เนี่ยให้ติดข้องอยู่ในโลกติดค้างอยู่ในโลกของกามความรูร้สพลังของกามมันดึงมันยึดมันเกาะ มันพันใจของคนตกค้างอยู่ในโลกแลาะนี่เป็นเหยื่ออันอร็ตอร่อยของมันสลหรับหัวใจที่ยังถูกเรียกร้องกับสิ่งเหล่านั้นเราให้ความสำคัญกับการภาวนาให้มากพิจารณาเรื่องเหล่านี้ให้มาก เราถึงจะเห็นโทษเห็นภัยของมันไม่งั้นเราไม่เห็นโทษหรอกไม่เห็นโทษของมันเราก็เห็นว่าเป็นอาหารอันอริดอร่อยเรียกร้องให้ชิมอยู่เรื่อยเรียกร้องให้ชิมทุกระยะเรียกร้องให้ชิมทุกเวลาในใจของคนของสัตว แบบไม่มีระดูสัตว์ยังมีระดูมีการมีเวลาแต่มนุษย์นี่ยไม่มีระดูไม่มีการไม่มีเวลาํำริขึ้นเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้ก็ชวนดึงจิตลาบจิตให้เยิมไปเมื่อ น, นั้นตอนนั้นํนำริเมื่อไหรเพราะจิตมันอยู่ภายใต้อำนาจของมันแล้ว ดัมริมะไร่เหมอนเยอะขึ้นมาลดหัวใจทันทีเหมือนเรือนทลานเรือนที่มุงไม่ดีหลังคาที่เรือนที่มุงหลังคาไม่ดีฝนรดลดรั่วมันไดากิจใจของคนของศาลทั้งหลายที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมุงหลังคาให้ดีอื ผลเหล่านี้มันก็รั่วรถรดหัวใจดวงนั้นรั่วรถเจ้าของเจ้าของที่นอนอยู่ในเรือนนั่นหัวใจของเราเช่นเดียวกันเราไม่ได้สำรวมระหว่างในกามเราไม่เห็นโทษของกามไม่มีความพอในกามดั่มฤขึ้นเมื่อไหรดั่มฤกขึ้นเมื่อไร่ ก็เป็นาธาตุของมันทันทีเพราะมันเป็นาธาตุอยู่แล้วดำริขึ้นเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะเคลื่อไปตามมันง่ายๆดำริเมื่อไรพร้อมที่จะเคลื่อไปตามมันมันง่ายๆความทั้งหลายผลเร่าร้อนอในขณะที่หาความสุขกับความนั่นแหละมันก็สร้างความเร่าร้อนแต่ด้วยเหตุที่เราเห็นว่าไม่เห็น โทษเห็นภัยของมันนั่นแหละมันมีอำนาจมันมีอำนาจมากมันมีพลังมากมีอำนาจมากแต่ถ้าเราตั้งใจภาวนาแล้วพรจาจะ พิจารณาให้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของมันพิจารณาตรงข้ามกับที่มันกระสิบกระซาบเพราะการตั้งใจภาวนาประกอบไปด้วยการมีเจตนาตั้งสติตั้งสัมปชัญญะขึ้นมาที่หัวใจของเราเพื่อไม่ให้อำนาจของกามกามกิเลสนี่แหละ มันแทรกเข้ามาที่หัวใจไม่มันมันคิดไม่ให้มันปรุงขึ้นที่หัวใจถ้าลองให้มันปรุงทีไรเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าต้องเสร็จมันทุกทีปรุงทีไรเมื่อไร่ก็เสร็จมันทุกทีอไม่สําคัญว่าเครใดภาวะใดวัยใดว่าจะให้มันปรุงแล้วก็เป็นธาตุมันทุกทีเป็นธาตุมันทุกที แต่ถ้าหาเราเอาศีลเอาธรรมมาเป็นกรอบเป็นขอบเป็นเขตกําหนดนะสิ่งเหล่านั้นก็พอที่จะชะลออยู่ได้เพราะถูกกีดถูกกั้นจากศีลถูกกีดถูกกั้นจากธรรมถูกกีดถูกกั้นโดยเฉพาะอย่างศีลเ็ศีลแปดเนี้ยศีลแปดก็เป็นเป็นรัว้วเป็นรอบเป็นขอบชิลนะ กัน้นไม่ให้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อไม่เกี่ยวข้องทางกายแต่ทางใจก็พยายามปิดกัน้นไม่ให้มีการมวิตกที่จะเรียกว่าตรึกเกี่ยวกับเรื่องการพยายามปิดกัน้นพยายามปิดกั้นด้วยการมีสติมีสัมผััญญะกำหนดจดจอ่อบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้ดำริเรื่องธรรมแทนดำริเรื่องกิเลส ไม่งั้นมันก็เยือมไปกับเรื่องของการมั่ววิตกทั้งหมดเรื่องการมั่ววิตกมันดํางตกที่จิตตึกที่จิตมันนึกที่จิตมันคือที่จิตคิดมาแล้วเราก็ไม่รู้รู้ไม่ทันมันรู้ไม่เท่าทันมันไม่มีอบายวิธีอะไรที่จะต่อสู้กับมันลอยให้มันปรุงปรุงจนเกิดความเร่าร้อน ทั้งกายเกิด ค, ความ ร, าร้อนร้อนทั้งใจแต่ถ้าเราพยายามมงุเมงเราสติมุงเอาสัมชัญญะมงุงกํากับจิตที่มีความดัมปริตรองเกี่ยวกับเรื่องการทำความรู้ตัวแล้วก็ดึงมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธทำความรู้ตัวแล้วก็ดึงมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธยามทำความรู้ตัวแล้วก็ดึงมาไม่ให้มันแทรกเข้ามาอ่า เวลามันแทะเข้ามามันพาคิดกรรมฉันทะเห็นไหมมันเิดเรื่องกรรมพอใจเรื่องกรรมพอใจเรื่องกา ม, เ, กามเป็นวัตถุกรรมก็ตามเป็นวัตถุกรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมันเป็นเหตุให้จิตออกไปเกี่ยวข้องออกไปขูกพันตั้งใจว่าวัตถุกรรมพอใจเข้าไปเกี่ยวข้อง จิตใจปอยใจอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ขึ้นมาเพราะในใจมันมีกิเลสอยู่แล้วท่าเรียกว่ากิเลสกามกิเลสกามเมื่อกิเลสกามกับการนึกคิดตรีตรองเกี่ยวกับเรื่องวัตถุกามเกี่ยวข้องกันเมื่อไหร่นไม่จากไม้จับมือมันก็เป็นมันก็เป็นมันก็เป็นเหยื่อแก่กันแล้วกันนั่นแหละจิตที่มีกามวิตก เหมือนกับต้องการอาหารพอวิตกเกี่ยวกับเรื่องการก็เป็นอาหารที่ถูกปากาเป็นอาหารที่ถูกปากก็ชวนนึกชนตึกชนทรองชนนึกชนคิดไปจนได้ความเร้าร้อนต้งการได้รับความร้าร้อนทั้งใจนี้ตระเวนเปิดเปิเปงเป็นบ้ า, เ ป, บาเป็นบอไปเกี่ยวกับเรื่องกาวก็มีมากมายเยอะแยะมีหัวใจของคนของสารพิจารณา ถึงภาวะที่เราเคยเห็นแบบนั้นกับภาวะที่เราเป็นอยู่อย่างนี้พิจรารณาแล้วให้ได้รับความสงบให้ได้รับความสลดใจให้ได้รับความเขีดหลาบเพราะสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเยื่อใหญ่ดึงเราให้ติดให้ค้างอยู่ในโลกมันไม่มีอะไรอย่างอื่นที่มันดึงให้เราติดค้างอยู่ในโลกยิงเรื่องยอดของกามด้วยแล้ว มันอย่างที่หมามันขึน้นเป็นรดูรดูเป็นเดือนเขือนพกมันนี่เป็นยอดของกามเลยแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดละอย่างอื่นไม่ไม่ได้ไมันเป็นไรข้าวปลาอาหารไม่สนใจไม่เป็นไรถ้ามีสิ่งเหล่านี้มาสนองแล้วก็อิ่มออ ส, สุขขอสุครังรับผลจากการที่มันปรุงให้อย่างเต็มที่ เพราะสิ่งเหนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นยอดของกาลคำว่าเป็นยอดของกามเป็นยอดของกามคุณนี่แหละยอดของกามคุณไปอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะมาสํารอกสิ่งเหล่านี้ให้เบาบางไปจากใจมันสํารอกไปเบาบางไปเท่าไหร่เราก็มีความสุขใจมีความสงบมีความสนุกมีความมีความสงบ มีความผาสุกในหัวใจวัตถุกรรมการมขุณกิเลสกามในหัวใจของคนของสันวิธีการต่อสู้ก็คือเอามาเอาใจมาภาวนาเนี่ยแหละยืนกับภาวนาเดินก็ภาวนานั่งกับภาวนานอนกับภาวนาภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธไม่ให้วิ ต, ตกกรร ม, มาวิตกมันเกิดขึ้นในจิต ความตึกความนึกความคิดภายในใจท่านเรียกว่าการมัฟิตกตรึกเรื่องกามจะเป็นวัตถุ ก, กามก็ตามกิเลสกามก็ตามมันตึกมันนึกมันคิดที่ใจเราก็เอาอารมณ์ของธรรมที่เป็นพุโทโธพุโทโธพุโทโธมาปิดมากั้นเอาไว้ทำความรู้ตัวอยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธบริกรรมอย่างนั้นหายใจเข้า พุทหายใจออกโทพุทโทพุทธให้มันคิดเหมือนกันให้มันคิดเรื่องเรื่องที่เป็นธรรมพุทโธพุทโธให้มันนึกมันคิดตามด้วยเปลือยตามอำนาจความขนองของมันเราก็เริ่มกล่าวเมืม่อเราพยายามเอาสติเอาสมรจัญญมากํากับปิดกั้นไม่ให้มันรู้วรารดเข้าไปที่ ห, ใใหัวใจของเราเมื่อเราพยายามมุงรังคาของเราให้ดี เรามงไม่ดีก็คือเราสรํารวมไม่ดีเรามั่ไม่ดีเราหวังไม่ดีอารมณ์กรมทั้งหลายมันก็รดหัวใจเราหลักก็เยิมปล่อยให้มันรดนอกจากนั้นแล้วก็เคลื่อไปกับมันเพลินไปกับมันเยิมไปกับมันเพลินไปกับมันไอ้ทั้งเยิมทั้งเพลินเนี่ยมันไปด้วยอำ น, นาจความเผลอทิ้งอารมณ์ธรรมทิ้งพุโทโธไปแล้วจากอารมณ์ธรรมรู้สึกตัวกดึเข้ามา พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ อ, อย่างนั้นแหะ ใ, หใจมัสงบจากอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเมื่อใจสงบใจก็ผาสุกใจก็ร่มเย็ยนใจก็เป็นอิสระแต่สิ่งานั้นมันมีพลังมากแต่เราไม่พิจารณาใ ห, เห้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันที่แท้จริงมันหายไปแล้วเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่มาสัญญาอารมณ์เนี่ยมันคอยแทรกเข้ามา มันแทรกเข้ามาทางสัญญาแทรกเข้ามาทางเวทนาความสัมผัสสัมพันธ์อะไรเนี่ยที่มันเอื้ออำนวยให้ช่วยคิดเรื่องต่างๆนันมันค่อยๆแทรกเข้ามาทางสัญญาไปปรุงไปนึกไปคิดเป็นเรื่องของสังขารเสร็จแล้วก็มีความสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูอะไรตัอะไรนี่พ ม, มีความสัมผัสสัมพันธ์ เรามีสติทันมีสติกำกับ ร, รู้ทมก็ดับไม่งั้นมันก็พาทำไปยางเพลิดเพลินมันค่อยแทรกเข้ามาทางเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณมันค่อยแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาตอนที่เราเพลอนั่นแหละเราเพลอสติทิ้งอารมณ์ธรรมทิ้งอารมณ์ที่เป็นธรรมพอทิ้งปั๊บมันก็โผล่เข้ามานะทิ้งปั๊บมันก็โผล่เข้ามาถ้าเราเรียบรู้ทัน มันก็นดับเราเรีบรู้ทั น, นก็นดับถ้าเรารู้ทันแล้วเราก็ปรุงเพิ่มเติมต่อไปด้วยแล้วยิ่งตั้งใจเจตนาปรุงให้เกิดด้วยแล้วโอยมันก็ยิ่งไปส่งเสริมมันยิ่งเป็นการส่งเสริมให้มันเจริญงอะเงินเงินในหัว ใ, ใจแต่ผลตามนั้นผลตามมาผลตามนั้นมาจะเป็นเหตุให้เราเรา่าร้อนนหะ เราร้อนละก ว, วนกบ า, ายละ ว, ว, วาร้อนกบายละเพราะอะไรเพราะไอ้นึกคิดอยู่ภายในใจเนี่ยมันก็สําเร็จประโยชน์แค่นั้นสําเร็จประโยชน์แค่นั้นพอลืมตาอ้าปากมามันต้องแสวงหามันต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหาสิ่งเหล่านั้นมาให้ได้อันนั้นเอาให้ได้อันนี้เอาให้ได้การดิ้นรนหานี่แหละคือกองทุกข์ กินรอนมาแล้วก็หึงก็ห่วงก็ทนุก็ทนองทังบ้านสางเรือนสร้างครอบสร้างครัวทุกยากลําบากเพื่อสนองสิ่งต่างๆเราเนี่แหละทุกยากลาบากกับมันเอาเป็นเอาตายตายกับมันพูดไม่ได้ปากไม่ได้ปากไม่ได้มิดมิดแหละ พอถูกมันทับมันทับถมหัวใจแล้วครับมิดปากไม่ออกล่ะปากไม่ออกหละอ่าก็อยู่งนั้นแหละเป็นบ่วงเป็นบ่วงมัดตีนเป็นบุญบ่วงมัดมือเป็นบ่วงมัดคอเป็นบ่วงมัดตีนทรัพย์สมบัติต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติกลายเป็นเป็นบ่วงมัดตีน สามีภรรยากลายเป็นบ่วงมัดมื อ, อจากนั้นแล้วก็มีโรคมีเต้าออกมากับเป็นบ่วงมัดคอนี่เาเรียกว่าเป็นบ่วงนี่แหละคือบ่วงบ่วงมัดคอมัดมือมัด ต, ตีนของเราเนี่ยสิ่งนี้เป็นเรื่องของโลกแต่ถ้าอยู่ภายในกรอบของศีลของธรรมก็มีความสุขอยู่ในกรอบอยู่ในขอบในเขต ดำเนินชีวิตด้วยสินท่าขยับคอง ม, มีความสุขอยู่ตามอำนาจของสินแค่ห้าแต่ถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยแล้วเราไม่เกี่ยวข้องอย่างนั้นเราขยับมาหาสินท่ามารักษาศินแปดมารักษาสินสิบรักษาศินสองยี่สิบเจ็ดน่นมีแต่เรื่องปิดมีแต่เรื่องกั้นไม่ให้น้ําคือ น้ำอาสวะต่างๆเหล่านั้นมันกลั่วรถหัวใจของเราใจของเราก็มีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความเยือกเย็นปฏิบัติก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเห็นดำเห็นแดง ก, กับมันพอจะต่อสู้มันได้พอจะเห็นร่องรอยพอจะเห็นกลเห็นอบายวิธีที่มันหลอกหัวใจของเรามันถูกหลอกถูกหลอก ทุกระยะทุกเวลาที่มันแสดงตัวออกมาปรากฏที่หัวใจของเรามันถูกหลอกทำไมที่ถูกหลอกเพราะเราไม่มีสติตามทันไม่มีปัญญาตามทันไม่เคยคิดย้อนมาดูใจของเราไม่เคยคิดย้อนสาวไปหาสาเหตุต้นต่อเพื่อที่จะชะลอเพื่อที่จะหยุดอในริดเด็ดในกลในอบายในวิธีที่มันจะจก่อยแทรกเข้ามา เมื่อเรามาประพฤติมาปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราก็พอที่จะรู้ช่องรู้ทางรู้วิธีรู้ปฏิบัติรู้การสำรอกออกจากกามสำรอกอารมณ์ความนึกความคิดออกจากจิตใจเพื่อให้จิตใจห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ความสุขทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมากามทั้งหลายมีอยู่ในโลก โลกนี้หุ่นวายเพราะการรมเดือดร้อนเพราะการรมเราดูแต่สนักหน้านี่นะมันกัดกันน ะ, ะพ่อกับลูกมันกกัดกันเห็นไหมักสองตัวนี้กัดกันไม่แยกมันก็เอาจนตายข้างหนึ่งถ้าไม่มีใครแยกถ้าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้เนะี่ยมันเอาไปจนตายข้างหนึ่งหมูฉีกตายฉีกแผลเบื่อว ะ, วะเต็มตัวไปหมดเราดูดิหมาหน้าเนะี่ย เราอะไรเพราะพลังของนั้นมากกว่าไม่ได้ไม่ไดมาได้เราต้องได้เราต้องได้เราต้องได้ก็แย่งกันอย่างนั้นแหละสัตว์แย่งกามกันคนทั้งหลายในโลกก็แย่งกามกันรวมทั้งวัตถุกรรมรวมทั้งกิเลสกามสิ่งที่จะไปพบปุบรบรมบรมเรในหัวใจแย่งกาม้กัน ที่เราตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมมีระบบมีระเ บ, บีย บ, บมีกรอบตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้ก็เป็นเป็นการปิดกัน้นพยายามปิดกั้นกามไม่ให้มันกำเริบในหัวใจของเราพระพุทธเจ้าไม่เคยส่งเสริมกามพระพุทธเจ้าท่านไม่ส่งเสริมกามเหมือนพระนันทะเห็นไหมพระนันทะน้องชายต่างมารดา นันทะเป็นน้องชายตา่างมารดาของพระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้าไปในวันแต่งงานนันทะนี่แต่งงานเนะจ้าชายนันทะนีะ่เป็นลูกของพระเจัสโทธนะกับนางพจานางโคตมีกับนางโคตมีโคตมีนี่เป็นน้องของสุริมหามายา เป็นน้องสาวนางมหามายานี่เป็นมารดาของครุิเจ้าโคตมีนี่เป็นมารดาของนันทะเนื่องจากว่าพอประสูตินางสุริมหามายาประสูตรสิทธะมาได้เจ็ดวันก็ท่วงคตตายเจ้าโสสนะก็เอา นางโคตมีนมามาเป็นแม่หนุ่มเลี้ยงดูเป็นมเหสีต่อจากสตรีมหามายาก็มีนันทกุมารมีนันทะกับมีรูปนันธามีลูกาชายลูกหญิงเกิดขึ้นโดยกันลูกชายก็คือเจ้าเจ้าชายก็คือนันทะเจ้าหญิงก็คือรูปนันธารูปร่างสวยงามมาก รูปนันธารูปนันธางามมากแต่ว่านันทะเนี่ยวันแต่งงานกับนางชนะพระทักยาณีนี่มโนพุทธเจ้ากับพระสาวกน่ยไปฉันไปเสวยพระสาวกไปฉันในวันแต่งงานนั่นแหละพอหลังจากพอหลังจากเสร็จงานเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็เลย ให้นันท่านอุ้มบาตดตามอ่าอุ้มบาดไปทรงที่ที่นิครธารามังั้นแต่ลงไปประทับอยู่ที่นิครทารามอุ้มบาตดไปทรงอุ้มบาตดไปอุ้มบาตดไปนันท่านนี่โอ้ยจิตใจร้อนระทึกอยู่เนี่ยนะแต่งานกันเสร็จใหม่ๆอะไรใหม่ๆไม่รู้รับทานหรื อ, อยังฮะเสวยอาหารหรือยังก็ไม่รู้อุ้มบาตดตามพระพุทธเจ้าเดินตามไปก็คิดอยู่ว่า พระองค์หันมาทีไรเมื่อไร่พระจะยื่นบาทถวายให้พระองค์ก็ไม่หันมาสักทีแล้วเดินตามไปเรื่อยอุ่มบาตรพุทธเจ้าเดินตามไปตามไปตามไปจนถึงนิโครธ า, ารามถึงนิโครธ า, ารามก็ถามเล้ทีนั่นทเธอจะบวชหรือโอตายแล้วเออนั่นท่าเธอจะบวชหรือเนี่ยเห็นไหมถามแบบไม่เยื่อใหญ่ในกามเลยนะ โอ้ด้วยความเคารพในพระเชษฐาเนี่ยเป็นพี่ชายเนี่ยด้วยความเคารพในพระในพระพุทธเจ้าน่ยด้วยความเคารพในพระเชษฐาด้วยความเคารพไม่รู้จะปฏิเสธได้ยังไงจะบวชพระเจ้าข้าจะบวชเจ้าค้าพระเจ้าข้าแต่ป่ากนะจิตใจนึกถึงเรนางชนบทกาลยา น, นีนางชนะประธกาลยานังกาลยานี น, น, นั่แนแหะ นามากนางอันนัไปแต่งกำลังชนะชนะพระกาลยานีจากนั้นแล้วก็เลยบวชบวชแล้วก็ไม่เป็นตามเพความเพียนแล้วพอแต่งงานกันแล้วเหมือนอาหารอยู่ต่อหน้าเต็มปากยังไม่ได้หยิบเข้าปากเลยต้องลุกไปนู้นไปนี่ซะก่อนเนี่ยคิดถึงอาหาระคิดถึงอาหารแล้วนไม่เป็นตามภาวนาเลย หมกูกลือเภาวนาอย่างนั้นภาวนาจะคิดถึงแต<ม>นะ่แฟนสาวที่แต่งใหม่เนี่ยข้าวใหม่ปรามันที่ยังไม่ได้รับรสชาติอะไรเลยเนี่ยแล้วก็เวลาก่อนที่จะออกมาเนี่ยนางนั้นก็เลยมาเรียกรีบเสด็จคืนนะนพระเจ้าพี่รีบเสด็จกลับรีบเสด็จให้รีบเสด็จกลับรีบเสด็จกลับว่าคิดถึงแต่ไอ้คำพูดนั่นแหละคิดถึงภาพสุดท้าย ที่นางนนมาเรียกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ทรงทราบทรงทราบวารกกจิตของนันทะมันจะไม่ทราบไปอย่างไงถึงขนาดนั้นแล้วน ะ, ะจะไม่ทราบไปอย่างไงกลัวนันทะเนี่นนยเดืีดยร้อนเพราะคิดถึงเดรนังช น, นะนนพระทกกระยาอย่างนี้ก็เลยก็เลย มีอุบายวิธีจะพาไปดูคนที่สวยกว่านั้นก็มีเยอะแยะไปองก็เลยพาไปดูเธอจะไปไหมเราจะพาไปดูผู้หญิงที่งามกว่านั้นอีกนางกว่าแฟนที่เพิ่งแต่งงานเสร็จใหม่ๆเนี่ยนะพาไปนันทาก็เลยตกลงใจก็พาไปนน่นไปดูนางฟ้านางสวรรค์บนสวรรค์องก็บรรดาลพานันท่าไป ก็เห็นนางฟ้าน่ะบนสวรรค์อ่ะพอก็เห็นนางฟ้าเห็นก็ผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยเห็นไปเรื่ยผ่านไปเรื่อยเป็นไงเห็นนางฟ้าแล้วเป็นไงอ่ะกำลังชนะปัททะกัลยาณีของเธอเป็นไงก่อนที่จะเห็นนางฟ้าก็เห็นลิงเห็นอะไรไปก่อนแหละเดินไปเห็นลิงเห็นอะไรก็ได้นันทาก็บอกนางชนะบทกัลยาณีเหมือนกับลิงเนาะ เห็นมาเรื่อยจิตใจก็เปลี่ยนมาเรื่อยเห็นมาเรื่อยทีจิตใจมาเลื่ยน้ำท่เธออยากได้ไหมเธออยากได้นางฟ้าเหล่านี้ไหมอยากได้ถ้าเธออยากได้ให้เธอตั้งใจบําเพ็ญพรหมจรรย์ไปเนี่ยเราจะเราจะเอาให้เนี่ยเาจะเอาให้เห็นแล้เห็นความเปลี่ยนแปลงในหัวใจเลยวไหมนางชนบทกาลยานีแหละลืมแล้วคิดถึงคิดถึงแต่นางฟ้าแหละตอนนี้ คิดถึงจะนางฟ้าแหละให้เธอตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เธอตั้งใจภาวนาไปเราจะเอาให้เราจะเอ า, เ า, เอานางฟ้าให้ m. นัถ้าอยากไล่อยากยได้นางฟ้าก็เลยตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมไปงั้นแหละตั้งใจปฏิบัติธรรมทีนีหมู่เพื่อนทั้งหลายก็ก็เลยคิดกันว่าเอ๊น า, นานันทานี่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนอนี่คิดถึงจะนางจนบทกิริยานี้ ตอนนี้มาตั้งใจปฏิบัติธรรมทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเอานางฟ้าให้เนี่ยเอานางฟ้ามาเป็นเอานางสละประกันรับประกันว่าจะเอานางฟ้าให้ทีนี้หมูเ่เพื่อก็เลยพูดตำหนิเลยพูดตำหนิเลยพูดดูถูกเฮ้ยตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้นางฟ้าเนี่ย อ่ไม่ไม่ใช่ตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปก็เลยได้รับความละอายอันทะกเลละอายหมู่เพื่อนอที่ว่าพระพุทธเจ้าสัญญาว่าจะเอานางฟ้ามาให้จะเอานางฟ้าให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยด้วยเห็นแก่ศีลบน <laughs> เรียกว่าศีลบน ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพราะเห็นแก่สินบนนร่้งทักเลยนึกละอายหมู่เพื่อนมากเลยเนี่นึกละอายหมู่เพื่อนก็เลยตั้งใจภาวนาเลยนี่ตั้งใจด้วยความละอายเลยไปตั้งใจภาวนาอยากแท้จริงไม่นึกคิดนางชนบทขลยานี่ก็ไม่นึกคิดละนางฟ้าทั้งหลายทั้งพวงก็ไม่นึกคิดละตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์อ่เห็นไหมเรื่องรามันมีมันเป็นเนี้ นี่เราพูดเราพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ส่งเสริมกามแม้แต่น้องชายของพระองค์นะพระองค์ก็ดึงไปเลยแหละท่านไม่ได้เห็นแก่หัวใจว่ามันจะคิดถึงจะตายขนาดไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ประเสริฐเลยมากกว่าอํานาจของธรรมอำนาจของคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจพรากันออกเลยเนะี่ยเห็นไหมพอถึงขั้นบรรลุธรรมแล้วหมดแล้วหมดห่วงแล้ว พระพุทธเจ้าไม่ต้องมาเป็นรับประกันแล้วรับประกันว่าจะเอาน้นให้เอานี้ให้ตอนนี้เป็นตัวเขาตัวแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระภ า, หารหันนี่นี่พี่ชายน้องชายก็จอาน้องก็เช่นเดียวกันน้องสาวนางชนะพระธกาลยานีไม่ใช่นางรู ป, ปนันธาอันนี้น้องสาวนะรู ป, ปนันธา รูปนันทานี่พระพุทธเจ้าไปนิโครธารามตั้งนานไม่ได้เข้าไปกราบคนอื่นเขาเข้าไปกราบไปฟังเทศไปฟังเลยนางนั้นไม่กล้าเข้าไปเลยเพราะทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงตำหนิโฉมเหนั้นนะท่านทรงตำหนิโฉมเพราะนางนี่งามถ้าเผื่อเข้าไปแล้วกลัวพระพุทธเจ้าจะทรงตำหนิโฉมทรงตำหนิส่ทธทรงตำหนิวันนี้โมเดสโอสองล้ำ อ, อ, อางอยู่เนี่ย ไม่สนใจที่จะไปฟังเทศฟังธรรมอะไรเลยไม่ก ล, าา ล, กลาา้าเข้าไปละไม่กล้าเข้าไปไอ้คนที่เขาเข้าไปหมูเพื่อนที่เขาเข้าไปเขาก็ามาเล่าฟังโอ้ผู้ทีเจ้าเทศไปเล่อาอบางคนก็ไปฟังได้ธรรมธรรมะชั้นนั้นธรรมะชั้นนั้นได้เป็นพระโสดาได้เป็นพระสกีทาคาพระอนาคาาบางคนก็ได้เป็นพระอรหัน์ในที่สุดนางเนี่ยทนรบเราไม่ได้ทนรบเราต่อต่อคุณ คุณของพระพุทธเจ้าต่อคําสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าน้ำก็เลยไปฝังเทศไปฝังเทวพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าระจิตหมดแล้นแหละนางนี่ก็จะมาได้ก็พยายามลดลดลดลดความนึกคิดจนจนหมดจนขนาดว่าไปได้ไปฝังเทศพอไปพระพุทธเจ้าท่านก็ส่งเนรมิตนะส่งเนรมิต ทรงเนรมิตหญิงงามสองสองนางอยู่ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยงามที่สุดเลยทรงเนรมิตถ้าเห็นเนี่ยให้เห็นเฉพาะคนคนเดียวนะเฉ่าว่านางรู ป, ปันทานเนี่ยเห็นงามที่สุดพอเห็นเห็นหญิงงามสองคนที่อยู่ข้างพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนั่งนั่งพัดให้พุทธเจ้านะแล้วโอโหมาดูตัวเราเนี่ยมังกรลิงเหมือนที่ว่า ง, งามที่สุดน่ยอ่า ที่แ ง, งามที่สุดกลัวพุทธเจ้าจะทรงตําหนิชมที่สุดว่า ง, งามเล ย, ยเห็นเห็นรูปปณิมิตที่พุทธเจ้าณิมิตอยู่สองข้างพระองค์แล้วดูตัวเองตัวเองเหมือนลิงลก็เลยลดทิฏฐิมรณะของตัวเองลงลดการยึดถือความงามในตัวเองลงจากนั้นแล้วรูปปณิมิตสองรูปที่อยู่ข้างพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงในระมิดให้ จากงามที่สุดนั่นแหละค่อยๆเหี่ยวค่อยๆแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงจนน่าเกลียดหน้ากลัวแล้วก็ตายกองกระดูกเหลือแต่กองกระดูกอยู่ตรงนั้นเองนางได้ดูเป็นอุปามาและเกิดสลดสงเวทเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแล้วก็ได้คุณธรรมได้ธรรมจากนั้นมามาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็ถึงที่สุดก็ได้เป็นพระอรหันต์ เห็นหมไม่เปลี่ยนพระอรหันต์ทั้งพี่ชาทั้งน้องชายทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งน้อง<ม>นันทะก็เป็นน้องของพระพุทธเจ้ารูปนันทาก็เป็นน้องของพระพุทธเจ้าเด็กคนละแม่คนละแม่ม น, มนี่นี่คือพระพุทธเจ้าท่านไม่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องกล่าว<ม>อลอองฟังอันนี้เป็นอุ ป, ปมา แล้วเราจะเห็นอำนาจของธรรมถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเหมือนเราพยายามตั้งใจมุงลังคาของเราให้ดีไม่ให้ลังคาของเรามันรั่วถ้าเกิดกามววิตกมันเยิ่มเข้ามาที่จิตเมื่อไรแล้วถ้าเรามุงดีหมายความว่าสติเราดีสมหธัญญะเราดีเอาอารมณ์ธรรมมากำกับจิตของเราดีกาม่ววิตกทั้งหลายเหล่านั้น มันก็ไม่สามารถจะเข้ามาแทรกในหัวใจของเราได้เหมือนกับน้ําฝนมันรดหลังคารั่วรดลงห้องลงห้องลงอะไรก็ตามแต่มันมันไม่รั่วแล้วมันรดไม่ได้มุงดีแล้วหลังคามุงดีแล้วมุงดีแล้วด้วยสติด้วยสัมปชัญญะไม่สามารถจะเกิดกามวิตกกามวิตกความถึกเกี่ยวกับเรื่องกามในหัวใจในหัวใจเราได้ ม, ม, ม, มีแต่อารมณ์ธรรมมีแต่อารมณ์นิจอริจจังมีแต่อารมณ์ทุกข์เขามีแต่อารมณ์มนุตตามีแต่อารมณ์บทธรรมที่ทำให้ได้รับความสงบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอเวลาได้รับความสงบเสร็จแล้วก็มาพิจารณาเพื่อให้เพื่อทำลายความหลงของตัวเองหลงหลงมายาของกามนี่แหละหลงอุบายของกามหลงมายาของกาม พิจารณาจนเห็นอุบายพิจารณาจนเห็นมายาของมันที่มันเกิดขึ้นมันแทรกขึ้นมาในมันไม่เกิดที่ไหนมันเกิดในใจของเราเวลามันผุ่งยับขึ้นมาเป็นเรื่องการรู้ทันมันก็ดับผุ่งยับขึ้นมาเห็นเป็นเรื่องการรู้ทันมันก็ดับรู้ทันมันก็ดับรู้ทันมันก็ดับในที่สุดมันก็กําลังมาเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดเห็นทั่วเห็นทั่วมันก็ดับหมด เห็นรอบมันก็ดับหมดกลางทั้งหลายดับหมดอนาคาอนาคาทันละได้หมดถึ ง, รงกระนั้นก็ตามความหลงที่มีอยู่ในหัวใจของเราก็ยังไม่หมดปฏิบัติจนละความล่มหลงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้หมดถึงประมัติสุขขังนี่เป็นความสุข เป็นความสุขที่จะเพิงเกิดขึ้นมีขึ้นในผู้ตั้งใจศึกษาธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นอย่างมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยตัวที่เป็นหนอ่อเป็นเนื้อเป็นยอดอ่อนในหัวใจของเราตัณหาอตัณหาอื กำมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันห้าสิเนโฮกรรมเป็นเนื้อนาอกำมังพีชังกำมังเขตตังวิญญาณังพีชังวิญญาณเป็นเหมือนยอดอ่อนของพืชวิญญาณเป็นพืชวิญญาณนี่เป็นพืชตันหาเป็นยอดอ่อนของพืช ตันหาซิเนโฮตันหาเป็นยอดอ่อนของพืชคำว่ายอดอ่อนของพืชก็คือพืชก่อนที่มันจะเจริญ ง, งอกเงยงอกงามได้มันจะต้องมียอดอ่อนเช่นอย่างมาเมล็ดพืชแต่ละมเมล็ดเนี่ยเราไปเอามามาปอกดูเช่นอย่างมะ ม, ม่วงน่ยเราไปเอาไปเอามาปอกเปลือกดูไอ้เปลือกแข็งๆขอ ง, ง, ง, งมันอ่ะปอกไปแล้วเราจะเห็นยอดอ่อนขอ ง, งมันอยู่ข้างใน ยอดอ่อนของมะม่วงกว็าตามยอดอ่อนของเม็ดข้าวกว็าตามยอดอ่อนอ่อนของลำไยอายงุนอะไรก็แล้วแต่แหละที่มียอดอ่อนของมันมันมียอดอ่อนอยู่หัวไหนพอเวลามันไปตกในที่ที่เป็นที่อบอุ่นเพียงพอมีน้ำเพียงพอมีอากาศเพียงพอมีความร้อนเพียงพอมันก็พร้อมที่จะเจริญงอกเงยเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นท่านจึงว่ากรรมเป็นเหมือนเนื้อน า, นา วิญญาณก็นเหมือนพืชที่จะพึงเจริญขึ้นในเนื้อหนาเนื้อดินนั่นแหละถ้าเปรียบเทียบก็คือหนาหน่นะวิญญาณก็เหมือนกับเมล็ดข้าวนั่นแหละทีนี้ตันหาภายในใจของเราเนี่ยเหมือนก็นยอดอ่อนของเมล็ดข้าวเนี่ยที่เราแกะออกไปแล้วมันจะเห็นยอดอ่อนๆ น, นี่ยพอมันได้ที่มีดินมีอากาศมี ถ้าเราดมสมบูรณ์ได้รับความอบอุ่นพรมันก็เจริญงอกเงยเขาว่าเจริญงาะเงยก็คือเป็นพบเป็นชาติเป็นพบหนึ่งชาติหนึ่งเจริญเงาะเงยก็เหมือนข้าวข้าวออกมาเป็นข้าวกลา้าเอาไปปักเอาไปดำดำเสร็จแล้วไปเจริญมาเจริญมาเจริญมาพอได้อายอุได้อายุพร้อมตั้งท้องตั้งท้องออกเป็นเมล็ดขึ้นมาแล้วก็สู่สู่ขึ้นมาก็เป็นข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกเป็นข้าวเปลือก เขเปลืองนี้ถ้าเก็บไว้ปีหน้าเอาไปเอาไปวานมันก็จะเจริญงอกเงยเป็นต้นกล้าขึ้นมาเป็นพวเป็นชาติเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงของมันอต้นกล้าก็เหมือนกับร่างกายของเราแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนะคนที่มันเกิดขึ้นมาจากยอดอ่อนของยอดอ่อนยอดอ่อนของตันหาเพรายอดอ่อนคือตันหาที่มีอยู่ในหัวใจของเรานัเนี่ยนี่ ต้นของมันก็เหมือนกับเราได้อัตภาพร่างกายมาเป็นเหมือนต้นต้นของข้าวต้นของมันที่มันเจริญขึ้นมาเจริญมาเจริญมาแล้วมาแล้วก็ไม่มีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าออกมาเป็นลูกออกมาเป็นรวงออกมาเป็นมาฮะมันคอยที่จะสืพบพ่อสืบเช่าเพราะมันตัดต่อไปเนี่ยสิเหล่านี้เราจะทําไงนะท่านบอกว่าพืชที่มันจะเจริญงอกเงยไม่ได้ มันจะต้องถูกทำลายยอดอ่อนหลังจากถูกทำลายยอดอ่อนเสร็จแล้วพืชนั้นก็ไม่สามารถจะเจริญงอกเงยได้กรรมภายในใจของเราเหมือนเหมือนดินเหมือนเนื้อนหนาเนี่ยกับปิญญาณของเราที่ยังแปดเปื้อนแปดเปดเื้อนด้วยตัณหาวิญญาณคือใจของเรามันแปดเปื้อนด้วยตัณหาตัณหาใ น, นหัวใจของเรา มันเหมือนยอดอ่อนของพืชตันหาก็คือความอยากดูมาที่ใจของเราทุกครั้งที่มันแสดงออกถึงความอยากมันจะมีตันหานี่แสดงออกแสดงออกพอมันแสดงออกได้มันแสดงออกได้ก็เหมือนกับว่ายอดอ่อนเนี่ยมันตั้งตัวได้ยอดอ่อนของพืชมันตั้งตัวได้มันแทงรากลงไปพอแทงรากลงไปแล้วก็ตั้งต้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่มันแหละ มีเป็นข้อเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบร่างกายของเราก็เหมือนกับต้นกล้าเหมือนกับต้นข้าวอ่ะมันต้นข้าวตัวนี้มันจะมาเจริญได้ก็เพราะว่ามันมียอดก่อนของพืชเจ้องพืชก็คือตันหาภายในหัวใจของเรานัแหละถ้าไม่มีตันหาไม่มีไม่มีอะไรที่จะไปเกิดมีตันหาเนี่เป็นเชื้อที่จะพาเรามาเกิด เพราะฉะนั้นอ่ะตัณหาคือความอยากตัวนี้มันมีอยู่ในหัวใจของเราเราจะชำระยังไงเราต้องพยายามพิจรารณาพยายามย้อนมาดูมาดูใจของเราใจคือผู้รู้เรามีผู้รู้อยู่ด้วยกันทุกคนทุกคนแต่ผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เพราะตัณหาตัวนี้แหละมันหมักเคลือบมันมาแฝงเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไรเราก็ทราบไม่ได้พุทิเจ้าท่านทรงตรัสว่าอวิชชาอาวิชชาอาวิชชา อ้าววิชาทรงตรัสว่าวิชาเนี่ยัญหาคือความอยากตัญหาคือความดิ้นรนความทะเยอทะยานความอยากความอยากนี่แหละเวลามันดิ้นรนไปแล้วมันไปทําให้เกิดกิริยาทําให้เกิดปฏิกิริยาแล้วนาความเศร้าหมองมาให้ผู้รู้เพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสว่ากิเลสกิเลส แล้ยว่าสภาพที่ทําให้จิตเศร้าหมองสภาพที่ทําให้จิตเศร้าหมองคือกิเลสนั่นแหละดิ้นรนด้วยความอยากในระหว่างที่ดิ้นรนดิ้นรนไปแล้วได้ประสบความอยากอ ย, ากอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดราคะเป็นเหตุให้เกิดโทสะเป็นเหตุให้เกิดโมหะนี่นี่คืออนานาจของความอยากอนานาจของความอยากเราดูมาที่ความอยาก เราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราทำด้วยความอยากแต่อำนาจของความอยากความอยากนี้เกิดขึ้นที่ใจมีอยู่ที่ใจทาไมถ้าไม่อยากคนเป็นก็ต้องอยากมีแต่คนตายเท่านั้นแหละมันไม่อยากอย่างนั้นหรือคนเป็นก็มีความอยากเราตั้งใจปฏิบัติธรรมเราก็ต้องอาศัยความอยาก แต่ความอยากใดก็ตามเป็นความอยากที่เป็นไปเพื่อเป็นตามระบบตามระบอบตามระเบียบตามกรอบตามขอบเขตที่ท่านกะเคียนเอาไว้อยากรักษาศีลอยากให้ทานอยากรักอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมอยากทํ า, ท า, ทาจิตให้สงบปเป็นสมาธิอยากพิจารณาเกิดความรอบรู้ในกองสังขารตามหลักตามข้อปฏิบัติที่พระรุทธิย่าท่านทรงวางไว้ความอยาก อันนี้เป็นมักตอนบอกว่าความอยากอันนี้เป็นมักให้ส่งเสริมเอาไว้ให้ทําให้มากมากให้เจริญให้มากมากเพราะความอยากอันนี้เป็นความอยากที่เป็นมักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่ความดับทุบนี่ความอยากความอยากอันนี้เป็นธรรมความอยากอันนี้เป็นมักเป็นข้อปฏิบัติให้เรารู้ให้เราเข้าใจความอยากที่ไม่เป็นมักคือความอยาก อยากทุกสิ่งทุกอย่างอยากไม่มี ข, ers, มม shaped, มมขอบไม่มีกรอบไม่มีเขตความอยากอันนี้เป็นความอยากที่ปีนเกลียวกับศีลป <un> ีนเกลียวกับธรรมทําลายศีลความอยากตัวนี้ทําลายศีลความอยากตัวนี้ทําลายทานเเรื่องอะไรจะต้องไปให้ทานเ่ะคินเองดีกว่าเนี่ความอยากตัวนี้ทําลายทานเรื่องอะไรจะต้องไปรักษาศีลเสียเวลาทําน้นทำนี้ สินแปดเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้หญิงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นี่ความอยากอันนี้เป็นความอยากทำลายสินเป็นความอยากของกิเลสเรารู้ทันทีเลยนี่คือความอยากของกิเลสทำลายระบบทำลายระเบียบทำลายสินทำลายธรรมทำลายวัฒนธรรมทำลายคุณระบบทำลายคุณสตรีรวมมาถึงทำลายเพศทำลายเพศของตัวเอง เหมือนอย่างที่สงท่านทำลายบางคนอยู่เป็นเพศสงแล้วก็ทำลายเพศของตัวเองด้วยอำนาจของกาบก็มีคือคื อ, ค, อความอยากเป็นไปตามหน้าของของกิเลสายตำ่ำไม่มีระบบระบบระเบียบ อ, อะไรอิศระเสรีเปิดเปิดเผยเปิดเปิดฟรีหมดรีหมด ไม่มีระบบไม่มีระบบไม่มีกรอบไม่มีอะไรว่าแต่อยากแล้วก็ทำอยากแล้วก็ทำอยากแล้วก็ทํามีความอยากอันนี้ท่านว่าเป็นความอยากของกิเลสความอยากอันนี้แหละต่อสู้กับความอยากที่เป็นมรดนะ์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมรด์ ก, ก็จะต้องต่อสู้กับสมุทัยสมุทัยก็ต้องต่อสู้กับมรด์แต่ไหนแต่ไรมา สมุทัยก็แพ้มักทุกถีแพ้มักทุกครั้งถ้าเราตั้งใจศึกษาทําตั้งใจปฏิบัติธรรมทำต้องชนะกิเกลสทุกครั้งสิ่งเหล่านี้เราปฏิบัติที่ไหนเราปฏิบัติมาที่ใจกํากับมาที่ใจย้อนดูมาที่ใจตั้งใจปฏิบัติที่ใจถ้าเพื่อเราหวังความสุขความเจริญทางด้านหัวใจทางด้าน จ, จิตใจด้วยศีลด้วยธรรมเราก็ตั้งใจปฏิบัติตามหลักของศีลของยธรรม เราพยายามลดละสิ่งที่เป็นสมุทัยอันเป็นเหตุก่อทุกข์ก่อโทษให้กับเรากิริยาใดก็ตามที่ส่งเสริมราคะส่งเสริมโทสะส่งเสริมโมหนะเนี่ยกิริยาทั้งหมดนะ่ะเป็นกิริยาของกิเลสให้เราทราบเอาไวา้ความอยากมีสองอยางที่เกิดขึ้นในหัวใจความอยากอันนี้อา้าอยากรักษาข้อวัดปฏิบัติอยากรักษาศีลอยากปฏิบตัติธรรมอยากภาวนาอยากได้คุณธรรมอยากมีคุณธรรม จะตั้งใจพระพฤทธปฏิบัติให้ถูกตามที่ระบบระเบียบที่ท่านวางเอาไว้อันนี้เป็นมาร์กให้เราส่งเสริมให้มากภาวิตาภาลีก็ตาทําให้มากๆเจริญให้มากๆเราไปตั้งใจเราไปตั้งใจละความอยากอย่างเดียวโดยที่ไม่มีวิธีการทําให้มันตั้งใจละไม่ได้จะต้องมีวิธีการทําให้มันเช่นอย่างไม่ให้ความอยากเกี่ยวกับราคามันเกิดขึ้นในหัวใจ ท่านให้ บ, บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมให้มันแทรกเข้ามาที่ใจได้นอกจากนั้นแล้วท่านให้พิจารณาเป็นอสุภะอีกให้พิจารณาเห็นว่าไม่งามเพราะถ้า ง, งามแล้วมันชอบ ม, มันรักมันใคร่มันชอบให้พิจารณาเป็นของไม่งามเช่นอยาให้พิจรารณารูกหญิงรูกชายเห็นว่าไม่งามปฏิกูลโสโครกตายเน่าเปือ่อผุพังนอนเจาะ ย, ย้อยกลิ่น ครุ้งไปหมดนี่ถ้าให้กำหนดพิจารณาอย่างนี้ต้ให้กำหนดพิจารณาเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามไม่สวยไม่งามพอเราพิจารณาไปพิจารณาไปตามที่เราคาดเราหมายเราดาเราใช้สัญญาเราคาดเราหมายเราดาใจของเราก็เบื่อหน่ายเหมือนกันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆวันนั้นโอ้ันเป็นนี้เบื่อหน่าย เห็นอัตภาพร่างกายที่เคยอยู่สุขสบายดีดีนอนตายนะขึ้นอือขึ้นฟองน้ําเหลืองไหลเยิ้มนอนเจาะยัวเยอ ะ, อยยอะกระจายไปไปหมดกลิ่นคลุง้งไปหมดหน้าเบื่อเราเอารูปเอาเราเารูปปัสสัญญาที่เราได้ ร, รูปปัสสัญญานี่เวลามันเกิดความนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องราคาก็คือความกําหนัดเอารูปอันนี้หลยไปตั้งใส่รูปนั้นเลยเอาไปทับเลย แป๊บเดียวหายละหายความนึกความคิดทีด่ชวนให้เกิดความคำนัดเกิดราคะเกิดความใคร่อะไรอะไรตามมา เ, เอารูปอันนี้รูปที่เป็นอสุภะเนี่ยไปตั้งไปทับเราใช้สัญญาเอาสัญญาโดยธรรมเอาสัญญาที่เป็นธรรมไปทับสัญญากิเลสอรุษราคะอสุภะต่างๆเหล่านั้นมันก็คือขึ้นจาอำนาจกิเลสมันก็เป็นสัญญาเหมือนกันเราก็พยายามตั้งใจสร้าง สร้างสัญญาที่เป็นธรรมเป็นให้เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามน่าเกลียบโโศกอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการมาตัดพลังของกามตัดอำนาจของกามตัดกำลังของกามนี่นีวิธีการที่ท่านชะลอไม่ให้มันเจริญในหัวใจของเราแล้วก็เป็นวิธีการที่เอามาเจริญให้เกิดความเบื่อหน่ายโดยอาศัยสัญญาที่เป็นธรรมนี่มาพิจารณาให้เกิด ให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายจาาเพิ่มให้ราคามันเจริญมันงาะเงยในหัวใจนี่ก็เป็นวิธีฉลอได้เป็นวิธีที่ฉลองได้แต่วิธีแบบนี้ต้องอาศัยจิตที่มีความสงบเพราะฉะนั้นเราทําให้จิตสงบถ้าเราทําให้สงบได้เราก็อยู่กับอารมณ์เดียวที่จิตสงบหลังจากสงบแล้วมันมีกำลังแห่ความสงบแนบแน บ, แ น, บแน่นพอสมควรเราก็มาพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะอย่างนี้ เพื่อชลอความอยากความอยากด้วยอำนาจของราคะที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราในหัวใจของสัตว์ก็เช่นเดียวกันในหัวใจของคนก็เช่นเดียวกันยิ่งคนด้วยแล้วยิ่ง อ, อิสระเสรีที่จะทำอะไรได้อย่างไม่มีขอบเขตทำได้อย่างไม่มีขอบเขตไม่สำคัญว่าเป็นการนั้นเวลานี้เหมือนสัตว์พวกสัตว์พวกสุ น, นัขเนี่ยเขาจะมีขึ้น ปีละครั้งปีละฤดูเนี่ยเดือน 9, เก้าเดือนสิบเนี่ยเขาเริ่มแล้วเห็นไหมตั้งแต่ต้นๆที่เราได้ยินนั่นนี่คือเขาเริ่มกันแล้วเขาเล่นสงกรามเขาแล้วแหละเขาเล่นแล้วแหละแต่มันไม่มีอะไรไปช่วยเขาดอกก็จะต้องไปสนองเต็มที่อ่าเพราะมันไม่มีระบบระเบียบอะไรของมันที่จะเอาไปสอนจิตใจได้มันไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์นี่เป็นสัตว์รู้เลี้ยงสาภาวะขอปฏิบัตริรู้ที่เจ้าท่านทรงวางเอาไว้ <c oughs> ระงับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วพิจารณาย้อนไปถึงความรุ่มหลงจนสามารถละได้ละสิ่งเหล่านี้ได้ละสิ่งที่ละเอียดมากไปกว่านี้ได้เพื่อทําลายอวิชชาทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในมโนใจได้ลประสบความสุขที่เรียกว่าประมังสุขังประมังสุขังตามหลังพระศาสดาไป <c oughs> นี่คือวิธีการที่เราจะต้องต่อสู้ทําไมเราจะต้องต่อสู้ เราก็ต้องต่อสู้เพราะถ้าเราปล่อยชีวิตจิตจะเราล่องลอยไปตามกระแสของกามอำนาจของกามผลตามมาก็มีแต่กองทกโอยทุ ก, ทกเพิ่มทุกอันนั้นเพิ่มเข้ามาทุกอันนี้เพิ่มขึ้นมาทุกควารมาเนเราก็หาทุกให้กับเราเองอยากสิโนนก็หามาสนองอยากสินี้ก็หามาสนองอยากอันนั้นก็หามาสนองอยา ก, ก, าา อ, อ, ยากอันนี้ก็หามาสนองในในสุดความอยากความอยากมันไม่มีขอบเขตอยู่แล้ว มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรรูปใบวิธีของมันเพราะฉะนั้นถ้าไม่เอาใบธรรมไปแก้กันเนี่ยแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกต้องเอาใบธรรมไปแก้เราพอได้ยินได้ฟังเป็นรู้ไม้ปลายทางเอาไปศึกษาเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขความเจริญในหัวใจของเราของท่านนะพอสมควรเกิวเวลาแล้วพอเลย